<unlucky. S 2> คำว่าปุปภภาพปฏิปทาคืออะไรคือศีลอาจาระบัญญัติการสมาทานทุดงนะสัมปทาข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมาธิทั้งหลายไปจนถึงโคตรภูญานนี้เรียกว่าปุปภภาพปฏิปทาข้อปฏิบัติเบื้องต้นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาก็คือศีลกับทิฏฐิที่ตรงเมื่อมีศีลมีทิฏฐิที่ตรงอย่างนี้แล้วก็เจริญทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิยาทัทสนาวิสุทธิเป็นต้นก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมัมรคนิพพานข้อปฏิบัติเราใดที่เป็นไปเพื่อบรรลุัมรคนิพพานข้อปฏิบัติเหล่านั้นเรียกว่าปุปปภาคปฏิปทาเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่าใดที่ตั้งอยู่ในอะคารวะหกแปลว่าหาความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพใน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 นะบัเออคือเรียกว่าอนุญาตก็ปฏิเสธพุทธพ์ธกลุ่มเหล่านี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมที่ไม่สมควรหรือเลี้ยงชีวิตโดยอเนสนาใช้ชีวิตอยู่ในมิจฉาอาชีพนะเช่นเอาลาบมาเละลาบเป็นต้นภิกษุเหล่านี้ก็เชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติในอ่ะในศียหรือไม่ปฏิบัติเพื่อเจริญสัตทินสีวิริยินรีเป็นต้น เ ป, เป็นการปฏิบัติไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเลยอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมควรส่วนพิสุใดที่ปฏิบัติตรงกันข้ามไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติแก่ตนทั้งหมดที่ ม, ทมีขีดขั้นเขตแดนนะไม่ล่วงละเมิดเส้นบรรทัดของพระชินาเจ้าแม้มีประมาณน้อยก็คือปฏิบัติตามคาสอนทุกประการ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 ทีนี้อันนี้ข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุภิกษุณีนั้นจะต้องเป็นไปตามคําสอนส่วนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะยึดถ้าหากว่าอุบาสกเหล่าใดยึดเวนทั้งห้าเวนหก็คืออะไรก็คือการละเมิดศีลหเรียกว่ายึดเวนหสมาทานเอาเวนทั้งห้าเป็นข้อปฏิบัติเพราะสมาทานเจตนาในการฆ่าก็เท่ากับว่าเวนสร้างเวนให้ตัวเองอายุสั้นในอนาคต ลักทรัพย์ ส, สิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ก็สมาทานผูกเวรเป็นคนยากไร้ถ้าหากว่าผิดประพฤติผิดในการมก็สมาทานว่าก่อศัตรูเอาไว้ร้อมรอบด้านแล้วก็ถ้ามูสาว่าก็แสดงว่าเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงถ้าเดิมสุราและเมรัยก็เป็นโง่เขลาเบาปัญญาแล้วก็ปัญญาอ่อนเป็นต้นเอาทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้เดิมเองขายอย่างเดียว ก็รับเลี้ยงพวกปัญญาอ่อนต่อไปกันละกันเนี่ยนะมันก็ใกล้ๆกันน่ะนะเพราะอะไรเพราะกรรมมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเห็นบุพการีบางคนเนี่ยนะนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่บางคนเนะี่ยแม่ตัวเองก็แก่แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกปัญญาอ่อนเนะนะี่ยช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครยนะังไงนี่เยอะนะรู้สึกมีเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย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 จะเป็นการรองรับคุณธรรมชั้นสูงจะรองรับความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้อย่างไรตรงเัินข้ามอุบาสกที่ปฏิบัติให้สมบูรณ์อยู่ด้วยสรรณะเนี่ยนะเจริญศรัทธาแล้วก็เจริญศีลศีลห้าศีล8ปดศีลสิบหรืออุโบสถเดือนละแปดครั้งถวายทานบูชาด้วยของหอมบูชาด้วยพวงมาลายัยเป็นต้นบำรรงมานดาบิดาบัมรงสมณะพราหมุบาสกผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็อยู่ในมงคนนั่นเองนะมาตาปิตุปัทานังปุตตะทาระสะสังโฆะโหอนาคุลาจกกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังนะอารตีวิรตีปะ ป, ปามัจฉปานะจาสัญญโมอัปมาตทจทัตธรมเมโสเอตัมมังกลมุตตะมังเนะี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมของเราเนี่ยมีหรือไม่อ่าวิธีการดูง่ายๆก็ดูว่า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 พระองค์ไม่ได้ต้องการวัตถุเป็นเครื่องสาการะแต่พระอ ง, รงค์ต้องการความประพฤติดีและปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกขในปัจจุบันและอนาคตนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการเพราะพระองค์สร้างบา ร, รมีให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ด้วยการปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเอง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 ศาสนาของเราก็ย่อมรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงจันทร์ในวันเพน็ญเนี่ยนะที่ลอยเด่นกลางท้องฟ้าเช่นั้นพันผู้ที่รุ่งเรืองที่สุดในพระศาสนาของพระองค์ก็คือผู้ที่อยู่ด้วยการปฏิบัติบูบบชาเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันคําพูดนี้ฟังให้ดีท่านไม่ได้ปฏิเสธอมิตธบูชาแต่หมายคำ ว, ว่าเน้นว่าอย่างไรชื่อว่าประมายะบูชายะเป็นการบูชาที่สูงสุดเป็นการบูชาที่สุดยอด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 อะไรนาะเป็นเหตุอะไรเนาะเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับให้ท่านพระอุปวานนะว่าดูก่อนพิกษุเธอจงหลีกไปเธออย่ายืนตรงหน้าเราพระอุปวานนะเป็นพระอรหันต์นะนะแต่ถ้าเป็นคนปุตคนทั่วทวไปมาอาจจะน้อยใจบ้างอะไรบ้างจริงนะนะแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีปัญหาในประเด็นนี้แต่พระนนท่านเกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันท่านพระนนท์พอได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า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 ทรงขับท่านพระอุปวา น, นะว่าดูก่อนพิสุธเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเรา น, นะคือท่านก็สอบถามอย่างที่ท่านสงสัย น, นะถ้าท่านมีสิทธิพิเศษอยู่แล้วท่านสงสัยอะไรท่านก็ถามแต่การถามของท่านพระอนน์นั้นจะเป็นไปด้วยประโยชน์การถามของท่านจะประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขโดยส่วนเดียว